เชิญทอนพวกเราที่นี่เริ่มทำท่าจะรับไม่ไหวที่หนึ่งแล้วนะสะนาราลูกชินเนี่ยยอมแพ้หลวงพ่อไปที่หนึ่งแล้วที่นี่กนแน่นขึ้นเลยเด้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะในท่ามกลางวิกฤตศรัทธาสาพพุทธศาสนาเนี่ยยังเหลือพวกเรา สนใจที่จะปฏิบัติตอนนี้คนกลัวมากเรื่องศาสนาอื่นจะมารุกแย่งชาวพุทธไปเป็นศาสนาอื่นหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดเมื่อไม่กี่วันนี้ตอนขึ้นระบินจะกลับเปสนามบินเดินไปเข้าห้องน้ำมีเด็กสองคนยืนอยู่หน้าห้องน้ายืนเล่นกัน เด็กยกมือไหว้เด็กเคยไหว้พระพ่อรีบบอกเลยว่าสั่งแล้วไงว่าต่อไปนี้เลิกไหว้พระเรากลัวศาสนาอื่นจะมาแย่งชาวพุทธไปเราลืมอย่างหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำลายศาสนาพุทธได้เนี่คนไหนนะเป็นพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ย ไม่เขารบพระธรรมวินัยไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติพอไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเมื่อไม่ได้รับประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าก็ไม่รักไม่หวงแหงอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยศรัทธาในเบื้องต้นที่ยังเหลืออยู่ในใจพวกเรามาฟังธรรมะ หลวงพ่อบอกให้ทําปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อเคยเรียนมาจากครูบาอาจารย์เรียนมาแล้วได้รับความสุขได้รับประโยชน์ชีวิตจิตใจร่มเย็นเอามาบอกพวกเราเอนหลวงพ่อตอนที่ไปเรียนก็เห็นนะ่ครูบาอาจารย์ท่านสงบท่านร่มเย็นท่านมีความสุขดูท่านแก่เท่านะแต่ว่ามีความสุขไม่เหมือนชาวโลกทั่วๆไปแก่แล้วดูเครีดเครียดสุดโสม จิตใจไม่มีความสุขไม่อยากมีความสุขอย่างท่านบ้างอยากได้รับสิ่งที่ท่านได้บ้างดูท่านสว่างท่านผองใสก็ไปฟังทำท่านปฏิบัติมาอย่างไรท่านก็สอนให้สอนให้เรามีศีลสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้เป็นกลางสอนให้เอาจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นกลางนไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ เนี่ยเห็นหเห็นตัวอย่างจากท่านดูท่านได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากธรรมะก็ไปฟังธรรมะของท่านถ้านจะสอนให้มีศีลฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นให้เป็นกลางก็จเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจพอได้ฟังหลักการปฏิบัติแล้วก็ามาลงมือทําลงมือทําแล้วมันก็เห็นผล มันเคยทุกข์มากมันก็ทุกข์น้อยลงมันเคยทุกข์นานมันก็ทุกข์สั้นลงเคยทําผิดศีลเคยตกยุงเคยอะไรหลวงพ่อเคยเหมือนกันนะโมโหเหมือนกันตอนเด็กเด๋มมันมากกัดเข้าโมโหมันพอลงมือปฏิบัติแะไม่กล้าตบมันสงสารมันสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่กล้าไปทํำร้ายมันสงสารมันเนี่ยเราก็วัด ตัวเองนะศีลเราก็ดีขึ้นสมาธิเราก็ดีขึ้ น, นความรู้ความเข้าใจในชีวิตมันก็ดีขึ้นพอเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นความวิวาดบาทหมางขัดแยง้งจากคนอื่นมันก็ลดลงเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่วิวาดกับโลกนะแต่โลกวิวาดกับท่านไม่วิวาดข้างเดียวนะแตท่านก็สงบท่านก็สบายของท่านคนจะมาให้ร้ายจะมาโจมตีท่าน ขนาดพระพุทธเจ้ายัางไม่รอดเลยนะอย่างหลวงพ่อถูกโจมตีอะไรเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าอย่างโดดเลยนะแต่ว่าท่านสบายทั้งท่านคนมาให้ร้ายท่านมาโจมตีท่านเองอะลำบากเนีย่ยท่านไม่วิบาทกับโลกแต่โลกมีวาปักับท่านเนี่ยจากครูบาจารย์สืบทอดกันมาเราก็รู้เลยว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานให้พวกเราเนเป็นของดีเป็นของวิเศษ เราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเคยทุกมากทุกน้อยลงทุกยาวๆก็ทุกสั้นลงเคยเสียสีนง่ายก็เสียศีนไม่ได้นะยอมไม่ได้รักศินนีใจมันมีความสุขมีความสงบเคยฟุ้งซ่านหนะลงโลกวันๆนั่งวิ่งจะหาความสุขจากโลกข้างนอกวิ่งไปหาคนอื่นวิ่งไปหาสิ่งอื่นหวังจะได้ความสุข เรากับพบความสุขอยู่ในตัวของเราเองในใจที่สงบสุขนั่นแหละพอเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะว่าการปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนมานะมันยกระดับใจเราใจเราไกลความทุกข์ออกมาเรื่อยๆนะมันสงบมันสบายมันสว่างมันโปร่งโล่งเบามันมีความสุขตามครูบาอาจารย์ไปใจมันก็เกิดความรักนะความรักแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้ามีศรัทธา รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงจริงนะพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆริงธรรมะนั้นมีประโยชน์จริงพระสงฆ์ได้ปฏิบัติตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับประโยชน์จริงๆเน่ใจมันจะแน่นแฟ้นอยู่ในพระรัตนตรัยนะไม่ผิดศีลห้าไม่คลอนแคลนไปหาที่พึ่งอื่น เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้ลงมือศึกษาได้ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราก็าจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนคนที่ถูกศาสนาอื่นซื้อตัวไปได้คือคนไม่มีศาสนานะมีคนที่ว่างจากศาสนาเขานับถือผลประโยชน์เป็นหลักนี้เพียงแต่ว่าในเมืองไทยเราแต่นเนี้ยคนนับถือผลประโยชน์ไม่ได้นับถือคุณงามความดีมีเสียงก็ขายเสียงใ ห, ให้หัวคะแนน หัวคะแนนก็ไปขายให้นักการเมืองนักการเมืองไปขายให้รัฐมนตรีอนะไรเนี้ยขายก็เป็นทอดทอดทอดมาถึงรัฐมนตรีก็ขายบ้านขายเมืองนะขายก็เป็นทอดทอดไปเพราะอะไรเพราะว่าเรามันไม่มีคุณธรรมนะภาพรวมคนเราเนี้ยต้อยมากเลยยิ่งนานวันไปนะยิงมีการศึกษาว่าคนไทยเราคุณภาพเนี่ยแย่ลงแย่ลงนะ เทียบกับคนรอบๆประเทศเราเนี่ยเขาดีขึ้นดีขึ้นนเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นการศึกษาเขาก็ดีขึ้นของเราเรียนในโรงเรียนแล้วไม่รู้เรื่องต้องไปเรียนกวดวิชาทั้งๆที่คนที่สอนในโรงเรียนกับคนสอนกวดวิชาก็คนเดียวกันแหลนะนะแต่สอนไม่เหมือนกันเนี่ยทุกอย่างมันย่ำแย่ไปหมดเลยแล้วเราถูกถูกฝังให้เห็นแค่ผลประโยชน์ไม่ได้เห็นแค่คุณงามความดีอะไรนี่พอคนมุ่งเอาผลประโยชน์ในะแครเอาผลประโยชน์มาให้ ขายประเทศเ้าขายได้ขายเสียงขายประเทศเขายได้ขายศาสนาก็ขายได้นี่เราห้ามคนเหล่านี้ไม่ได้อย่างเราพยายามเรียกร้องจะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเงี้ยมันเขียนเอาไว้เฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์เลยคนจะไม่ทิ้งศาสนาพุทธนะคนจะเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเขาเห็นคุณค่าพวกเราต้องช่วยกันปฏิบัติเรียนธรรมะนะแล้วลงมือปฏิบัติให้ได้ เอาตัวของเรานี่แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราดีขึ้นจริงๆเรามีความสุขมีความสงบมีความสบายมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นแสดงให้เขาดูพูดให้เขาดูเขาไม่เชื่อหรอกเราต้องแสดงให้เขาดูด้วยการฝึกตัวเราเองงั้นเราตั้งอกตั้งใจนะเรียนธรรมะและเราเรียนแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยคนแรกที่ได้ประโยชน์คือตัวเราเอง ต่อไปก็ได้ช่วยกันรักษาสืบทอดพระศาสนาไว้คนที่จะเป็นชาวพุทธแท้ๆมีไม่มากหรอกคนที่เป็นชาวพุทธแท้ๆนะไม่มากมาแต่ไหนแต่ไรถ้าแต่พุทธการก็เป็นคนส่วนน้อยตลอดแหละพระศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนที่พึ่งตัวเองเคารบในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ค่อยๆเรียนค่อยๆพัฒนาตัวเองไม่ใช่เชื่อมั่นเราดื้อรั้นนะพยายามพัฒนาตัวเอง คนที่คิดจะช่วยตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองนะั้นมันมีไม่มากหรอกมันต้องคนใจแข็งจริงๆคนส่วนใหญ่มันสู้ไม่ไหวืหอว่าโลเลโลเลไปนับถืออย่างอื่นนะคิดว่าเทวดาจะมาช่วยพระเจ้าจะมาช่วยอะไรเนะี่ยพระเจ้าไม่เคยช่วยใครได้หรอกนะมนุษย์ต้องช่วยตัวเองบางทีเขาก็สอนเหมือนกันว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองอนะ่ะเขาก็สอนดีเหมือนกันแหลนะ เงีศัตรูเราเนี่ยนะนะไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่สิ่งอื่นศัตรูเราก็คือตัวกิเลสในใจของเราพยายามสู้กับตัวนี้เงี้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเรานะวิธีที่จะฝึกขั้นแรกเลยเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องสักก่อนเรารู้ว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุกับผลไม่ใช่ไม่มีเหตุไม่มีผล หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปด้วยเหตุและผลเต็มไปด้วยเหตุและผลถ้าทําเหตุที่ชั่วไม่มีตัณหาเนี่ยมีผลคือทุกถ้าทําเหตุที่ดีคือเจริญมรรคมีผลคือความดับทุกเนี่ยมันมีเหตุและผลถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพาเราออกจากกองทุกได้จะพาเราไปพบสันติสุขได้ แล้วก็เริ่มมาปฏิบัติตัวต่อไปแรกๆ ก, ก็ปรับปรับพฤติกรรมของเราปรับพฤติกรรมของเราปรับพฤติกรรมทางใจในเบื้องต้นเคยฟุ้งซ่านหลงโลกก็ลดความฟุ้งซ่านหลงโลกลงสบางการที่เราวุ่นวายอยู่กับโลกนะมันเป็นเรียกว่ากา ร, รมวรตกามันตรึกแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเที่ยวแสวงหาเที่ยวเพลิดเพลินกับในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส หาออกไปข้างนอกนะลองย้อนกลับมาวางของข้างนอกเราย้อนกลับมาหาธรรมะภายในของเราละกามวิตกเสียอย่าไปตรึกอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจในความสนุกสนานเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะย้อนกลับมาเรียนรู้จิตใจของตัวเองในขณะเดียวกันนอกจากจะไม่ไปเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็อย่าไปปฏิเสธเนี่ยไปเป็นปฏิบัติ กัสิ่งแวดล้อมภายนอกนะถ้าเราไม่ชอบเราขัดเคืองเราไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสคิดไปในทางไม่ดีนะถ้าคิดไปในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาทวิตกนะถ้าคิดไปในทางเบียดเบียนด้วยความโง่อย่างบางทีก็อ้างอุดมการอ้างอะไรนะแล้วเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นวิหิงสาวิตกนะเป็นการไปเบียดเบียนเขาด้วยโมหะอย่างบอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะ ถ้าใครมาทําไม่ดีกับชาวพุทธเราเราจะฆ่าเขาเลยอันนี้เป็นวิหิงสาวิตกนะอย่างตอนนี้เริ่มจะมีการพูดกันบ้างแล้วว่าถ้าพระถูกยิงตายองค์หนึ่งจะไปเผามัสยิดที่หนึ่งนะถ้าไปเผามัสยิด ต, ต่อไปเข้ามาเผาวัดสินะหลวงพ่อก็เดือดร้อนนะหลวงพ่ออยู่วัดนะเนี <laughs> ย่ยมันเป็นวิหิงสาวิตกนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราละสะ เราละแล้วเราจะสร้างสภาพแวดล้อมภายในใจที่สงบที่สันติขึ้นมามีสมาธิิในเบื้องต้นนะรู้ว่าธรรมะนี้มีเหตุมีผลรู้ว่าธรรมะมีประโยชน์เราจะมุ่งมาเรียนธรรมะมาศึกษาธรรมะเราจะลดความวุ่นวายความพอใจความไม่พอใจนะความไปวุ่นวายกับโลกภายนอกพอใจนะค่อยตรึกแต่ในสิ่งที่พอใจเป็นกามาวิตกไม่พอใจนะตรึกในทางไม่พอใจเป็นพยาบาทพิตกนะ หรือไปตรึกในทางวุ่นวายกับเขาด้วยความคิดความเห็นของเราเป็นวิหิงสาวิตกนะงั้นเราไม่ยุ่งกับคนอื่นเราจะมาพัฒนาตัวเราเองการพัฒนาตัวเราเองเนี่ยเริ่มจากพัฒนาศีลนะพัฒนาศีลให้มีขึ้นมาก่อนในศีลหข้อเนี่ยข้อที่ควรจะใส่ใจนะคือข้อที่สก่อนสัมมาวาจามาก่อนสัมมากัมมันต์นะสัมมาวาจาถ้าเรายังพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียด นะพูดเพ้อเจ้ออยู่เนะ่ยใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบมีแต่ความวุ่นวายแล้วสีข้อสเพวกเราสังเกตไหมถือยากยากกว่าสีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามใช่ไหมอยากจะฆ่าคนเนี่ยยากไหมบกบบโกหกเนี่ยโกนะหกง่ายกว่าแล้วก็เห็นโทษน้อยกว่ารู้สึกไหมพูดกโกหกกับฆ่าคนเนี่ยเรารู้สึกว่าพูดกโกหกเนี่ยมีโทษน้อยกว่าฆ่าคนมีโทษมากกว่า เพราะว่าเรา ม, มันรักษายากนะแล้วก็เราไม่เห็นว่ามันมีโทษนะเราก็เลยรักษาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของไม่ดีจริงๆนะมันจะรักษาง่ายกว่า น, นี้นี่เราเห็นว่าการพูดเท็จพูดคําหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอ้อเจ้ออะไรไม่ใช่โทษรุนแรงนะอย่างไปพูดหยาบหยาหรือไปด่าเขานะอย่างมากไปขอขามานะีลงหนังสือพิมพ์ขอโทษอะไรอย่างนี้หมดเรื่องละถ้าไปฆ่าเขาไปลงหนังสือพิมพ์ขอโทษไหวไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหะ ไปขโมยเขาแล้วไปลงหนังสือพิมพ์ก่อนทั้งนั้นทําไม่ได้หรือเป็นชู้กับเขาเนี่ยไปประกาศผมไปเป็นชู้กับคนนี้คนนี้ถูกฆ่าแน่เลยอย่างเนี้ยยิ่งสร้างปัญหาหนักกว่าเก่าอีกงั้นพวกเราตั้งหัวตั้งใจนะถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจตัวเองนะสำรวมวาจาไวห้หน่อยนะพูดเท่าที่จําเป็นเพูดเท่าที่จำเป็ น, พ, ปนพูดด้วยความมีสติอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะถัดจากนั้นเราก็รักษาศีลข้อที่เหลือ เราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ประทุสล้ายทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่ประทุสล้ายคนที่คนอื่นเรารักเนี่คยค่อยๆฝึกไปเห็นไหมศีลมันมีสี่ข้อมสัมมาวาจากระสมารกรรมันตะแล้วข้อกินเหล้ามันหายไปไหนข้อกินเหล้าเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้ข้อกินเหล้าเป็นเรื่องว่าทำลายสติตัวเองเป็นอีกส่วนหนึ่งงั้นศีลตรงนี้นะจะมีอยู่สี่ข้อ และอีกข้อหนึ่งที่พวกเราควรจะทะคือสัมมาอาชีวะสัมาอาชีวะเนี่ยไม่ใช่ประพฤติถูกกฎหมายอย่างเดียวต้องถูกศีลถูกธรรมด้วยะถูกกฎหมายอย่างเราขายเหล้าขายปืนถูกกฎหมา ย, ท, มายทําได้ไหมขายฝิ่นก็ได้นะถ้าถ้ากฎหมายอนุญาตสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้สูบฝิ่นได้ก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ว่ามันผิดศีลมันผิดธรรมนั่นเราดู อาชีพอะไรที่มันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะค่อยๆแก้ไขค่อยหาอาชีพอย่างอื่นมาทําแทนนะค่อยๆฝึกของเราไปงานะที่ฆ่าสัตว์เพื่ อ, อไปฆ่าอะไรเนี่นะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะค่อยๆหาอาชีพใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมนะในเรื่องของศีลถัดจากนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาใจลนะการพัฒนาใจเนี่ยมีองค์มรรคอยู่สามข้อสัมมาวายามะ สมาสติสัมมาสมาธิตัวนี้แหละเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงสัมมาวายามาว่ามีความเปลี่ยนชอบความเปลี่ยนชอบไม่ใช่ปแปล ว, ว่าเดินจงกรมวันละหลายๆชั่วโมงไม่ใช่ปแปล ว, ว่านั่งสมาธิโต้รุ่งนะความเพียนชอบเนี่ยมีนิยามของมันโดยเฉพาะนะความเพียนชอบคืออะไรความเพียนชอบคือเพียนปิดกั้นนะเพียนปิดกั้นอาคูสนเพียทรทําลายอาคูสนที่มีอยู่นะข้อแรกอาคูสนที่มีอยู่เนี่ย ต้องหาทางละเสียข้อที่สองอคูสนใหม่เนี่ยต้องกันไม่ให้มันเกิดได้ข้อที่สามทำกุศลให้เกิดขึ้นข้อที่สี่ทำกุศลที่เกิดแล้วนะให้มั่นคงให้แข็งแรงให้เติบโตขึ้นวิธีที่เราจะละอกูศลปิดกั้นอคูศลเจริญกุศลนะแล้วก็พัฒนาให้กุศลงอกงามอาศัยความมีสติรู้เท่าทันใจของเรานี่แหละถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ย อกูศนที่มีอยู่มันจะดับอัตโนมัติถ้ามีสติเมืนะ่อไหร่นะอกูศนใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่เกิดสติจิตจะเป็นกูศลเรียบร้อยแล้วแลถ้าเรามีสติบ่อยๆนะศีล ส, สมาธิปัญญาซึ่งเป็นกูศลทั้งหลายทั้งปวงนะั้นมันจะงอกงามขึ้นงั้นสติเป็นเรื่องสําคัญนะต้องค่อยๆฝึกพัฒนาสติขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรนะเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะสมัยเรียนกับท่านเราฟังแล้วงง ทำไมขาสติแล้วขาดความเพียรแล้วมาภาวนาเราถึงรู้ว่าจริงอย่างท่านอย่างเราเดินจงกรมโต้รุ่งนะแต่แล้เราไม่มีสตินะมันคือเดินเรื่อยเปื่อยเดินทรมานตัวเองมันเป็นอตัตตากริยาฐานุโยคเดินห้านาะทีนะหวังว่าจะดีาเดินด้วยความโลภไม่มีสตินั่นเป็นอตัตตากริยาฐานุโยกแล้วเหนื่อยเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรนะงั้นต้องมีสตินะมีสติ นี้ถ้าเรามีสติได้เนี่ยความเพียรที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นนี่สติที่เราจะใช้เนี่ยไม่ใช่สติธรรมดาตัวสัมมาสติในองค์มรุ๊กเนี่ยหมายถึงสติปัฏฐานสติปัฏฐานต่างกับสติธรรมดาสติปัฏฐานเป่นสติที่ระลึกรู้รูปรู้นามรูปกายรู้ใจของตัวเองไม่ต้องไปรู้ของคนอื่นหรอกรู้ของตัวเองนี่เองมีสติระลึกรู้กายในกายเช่นเห็นร่างกายหายใจออก เป็นอันนึงเห็นร่างกายหายใจเข้าเป็นอีกอันหนึ่งร่างกายหายใจออกก็เป็นกะายในกายเป็นส่วนหนึง่งเป็นกายลักษณะหนึง่งร่างกายหายใจเข้าเป็นกายอีกอย่างหนึง่งร่างกายยืน ร, ern, ร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันะเราดูไปอย่างนี้ที่จะเรียกว่ากายในกายร่างกายที่เคลื่อนไหวก็เป็นกายในกายร่างกายที่หยุดนิ่งเป็นกายในกายเรามีสติระลึก ร, ร, ร, ร, ร, รู้อยู่ในร่างกายนี้เนืองเนืองนะเห็น ร, ร่างกายหายใจออก รู้สึกตัวเห็นร่างกายหาใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวคอยรู้สึกบ่อยๆรู้สึกสม่ำเสมอถ้าไม่ถนัดรู้สึกกายก็รู้สึกเวทนาก็ได้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางร่างกายหรือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจถนัดรู้เวทนาทางกายก็เอาเวทนาทางกายถนัดรู้เวทนาทางใจก็ไปดูเวทนาทางใจ ดูเพื่อให้เห็นนะมีสติรลึกรู้ลงไปความสขขามุขเกิดขึ้นให้รู้ความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้โสมนัสคือความสุขทางใจเกิดขึ้นให้รู้โทมนัสคือความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นให้รู้อุเบกขาคือความเป็นกลางทางใจเกิดขึ้นให้รู้ไม่สุขไม่ทุกขนะ์รู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นนะว่าสุขทุกข์ทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะ ถ้าไม่ถนัดดูกายไม่ถนัดดูเวทนาก็จเจริญจิตตานุปัสสน า, าน ะ, จะเจริญสติปัฏฐานด้วยจิตตานุปัสสน า, าจิตมีกิเลสก็รู้จิตไม่มีกิเลสก็รู้อย่างคนไหนขี้โกรธนะเราก็ดูไปจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะพวกเราคนไหนขี้โกรธยกมือสิมีหไหมยกมือยกมือนะหลวงพ่อจะทรงจําไว้พวกไหนขี้โลภยกมือสินะ ซ้อนกันก็มีนะพวกไหนขี้หลงหลงเก่งโอเยอะเก่งเก่งเก่งอย่างนี้ใช้ได้นะเพราะคนมันจะโกรธได้โลภได้มันต้องหลงด้วยมีพวกหนึ่งไม่ยกมือเพราะอะไ ร, ระก็กําลังหลงอยู่ไม่รู้ว่าหลงพ่อพูดอะไระเจอพวกหลงโคตรเขานะ่ะนั่งฟังธรรมไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนั่งหลับไปแล้วก็มีนะเนี่ยถ้าเราขี้โกรธมองเห็นเากาโกรธ ได้ยินก็โกรธได้กลิ่นก็โกรธนะได้เสียงก็โกรธได้รสก็โกรธมีอะไรมาสัมผัสร่างกายก็โกรธโกรธหมดเลยนะถ้ามันขี้โกรธอย่างนี้เราก็สังเกตเอานะใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันหายโกรธก็รู้ดูไปอย่างนี้ดูไปซื้อนะมีสติสติไม่ได้เป็นตัวเข้าไปแทรกแซงนะสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏเพราะงั้นเราแค่รู้ทันสภาวะที่ปรากฏนะหายใจออกรู้สึกห้ใจเข้ารู้สึกอย่างนี้ก็มีสติ ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยมีสติสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นรู้สึกเนี่เรียกว่ามีสติสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะเท่านั้นเองนี่สติจะรู้ทันสภาวะได้นะต้องฝึกให้สติเกิดตัวนี้ก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งที่พวกเราต้องเรียนทําสติปัฏฐานนี่แหละนะเอาอันที่เราชอบอันที่เราพอใจไม่ใช่เอาตามเพื่อนไม่ใช่ตามปรูบาอาจารย์นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยจเจริญปัญญาด้วยจิตตานุปัสสนาน ะ, จะเจริญ มีปรัสนาด้วยการดูจิตเอานะพวกเราไม่จําเป็นหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องดูจิตรู้สึกหลวงพ่อดูกายก็มีดูเวทนาก็มนะีมีทุกแบบแหละงั้นเราดูตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรนะในร่างกายในจิตใจนี้รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยสติเกิดบ่อยแล้ว อ, อันนั้นแหละนะบางคนหายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้สึกตัวดีก็าหายใจออกหายใจเข้าไปบางคนยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ดีก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้สึกไป บางคนดูสุขทุกข์แล้วรู้สึกตัวได้ดีรู้สึกตัวได้บ่อยก็เอาอย่างนั้นแหละนะบางคนดูกิเลสเห็นกิเลสเกิดกิเลสดับนะเห็นได้บ่อยโกรธขึ้นมาทีไรรู้ทุกทีะโกรธแล้วก็รู้โกรธแล้วก็รู้หรือโลภแล้วก็รู้โลภแล้วก็รู้หรือหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ถัดรู้อย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันจําสภาวะได้แม่นมันจําได้ว่าหายใจออกเป็นอย่างนี้หายใจเข้าเป็นอย่างนี้นะพราะจังหวะการหายใจเปลี่ยน เวลาเราหลงๆเนะีจังหวะก า, ารหายใจเราจะเปลี่ยนไปจากธรรมชาติอย่าเวลาที่มีกิเลสนะลมหายใจจะแรงขึ้นรู้สึกไหมแต่เวลาใจสงบใจมีความสุขนะลมหายใจจะค่อยประนีตประณีตเข้าไปเบาเบานะหรือกิเลสเกิดนะถ้าคนไหนถนัดดูกิเลสก็ดูดูกิเลสไปเห็นกิเลสเกิดกิเลสดับกิเลสเกิดนกิเลสดับดูบ่อยๆต่อไปจิตมันจําสภาวะของกิเลสได้ นะมันดูความโกรธบ่อยๆมันก็จําได้ว่าความคกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้พอใจมันโกรธปุ๊บสติจะเกิดเองเลยนะเนี่ยค่อยๆฝึกสติอย่างนี้นะหลัาจากนั้นก็มีความเพียรชอบไปนะคือมีสติะระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจของเราเนี่ยบ่อยๆรู้เนืองเนืองในสติปัฏฐานจะบอกให้รู้กายในกายเนืองนนนเนืองเวทนาในเวทนาเนืองเนืองไม่ใช่รู้ครั้งเดียวนะแต่รู้เนืองเนืองเนืองเนืองก็ไม่ได้แปลว่ารู้ตลอดเวลาใช่ไหมเนืองเนืองว่ารู้บ่อยๆ รู้ถีทีไม่ได้แปลว่ารู้ตลอดเวลานะงั้นเรารู้สบายสบายไปรู้บ้างเผลอบ้างอย่าให้เผลอนานเท่านั้นแหละรู้สึกกายก็ได้รู้สึกเวทนาก็ได้รู้สึกจิตใจก็ได้ที่เป็นกุศลอกุศลนะคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยขั้นแรกเวลาที่เราไปดูนะเราไปดูสภาวะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพอเราจิตมันไปรู้สภาวะความโกรธแล้ว จิตมักจะไม่ชอบเป็นไหมมันไม่ชอบหรือเวลาจิตไปรู้ว่าตอนนี้จิตเป็นกุศลร่าเริงเบิกบานมีความสุขจิตชอบเนะนี่ยจิตมันชอบบ้างไม่ชอบบ้างเวลารู้สภาวะนะบางทีเห็นร่างกายตัวเองนะก็มีความสุขบางทีเห็นร่างกายเราก็ญหงุดหงิดนเะนี่ยแต่ละคราวแต่ละคราวที่ใจไม่เหมือนกันนะบางทีก็ตาเห็นรูปนะใจก็ชอบตาเห็นรูปใจไม่ชอบ พอชอบเกิดขึ้ น, นความยินดีก็เกิดขึ้นพอไม่ชอบความยินร้ายก็เกิดขึ้นหรือเราภาวนาอยู่ร่างกายมีความสุขร่างกายมีความสุขเกิดขึ้นความพอใจความยินดีก็เกิดขึ้นเวลาร่างกายเจ็บป่วยร่างกายมีความทุกข์ความไม่พอใจก็เกิดขึ้นเพราะฉั้นเวลาที่เราหัดภาวนาเนี่ยนะจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ดูดุยดุยซื่อซื่อซ ah, ื่อบื้อไปนะอันแรกเลยหัดรู้สภาวะไปดูสภาวะบ่อยๆไม่ต้องรู้ทุกสภาวะ เราถนัดดูสภาวะอะไรเอาวันนั้นแหละแล้วสติมจะได้ระลึกสภาวะนั้นได้บ่อยๆสภาวะที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้เราเนี่ยเป็นสภาวะที่เกิดตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเกิดตลอดวันไหมสุขทุกข์ดีชั่วเกิดตลอดวันไหมยืนเดินนั่งนอนเกิดตลอดวันไหมเนี่ยอารมณ์กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเลือกมาให้เรานะเป็นสิ่งที่มีทั้งวันเราะั้นถ้าเราคอยมีสติระลึกรู้แล้ระลึกได้ทั้งวันเรียกว่ามีความเพียรชอบนะระลึกได้ทั้งวันเลย แล้วพอเรารู้สภาวะแล้วเนี่ยถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายให้รู้ทันความยินดีร้ายจะดับไปนะจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้รูปนามมี Mang, จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันอีกมีสติรู้ทันความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายดับจิตเป็นกลางถ้าเราไปดูในสติปัฏฐานนะมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่ง อย่างเริ่มต้นบอกกายเยกายานุปัสสีวิหรติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีสัมปช a โนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติวิเนยะโลกเกอรพิชาโทมณัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คําว่าโลกคือรูปนามกายใจของเราเนี่เองงั้นเวลาที่จิตไปรู้สภาวะนะมันยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันนมันจะถอนความยินดียินร้ายทีแรกถอนด้วยสติ แต่พอเราจเจริญสติรู้ความจริงของรูปนามกายใจมากเข้ า, ม า, ขามากเข้านะต่อไปมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาตรงสัมมาสมาธินีนะนะสัมมาสมาธิในสติปัฏฐานนะอยู่ตรงที่จิตพ้นจากความยินดียิ น, ยนร้ายนะตรงที่วินยัยยะโลเกะพิชฌาโทมนะสะตรงที่จิตถอนตัวออกจากความยินดียิ น, ยนร้ายได้ตัวนั้นแหละสมาธิแท้ๆที่เป็นสามารถสมาธิแท้ๆจะเกิดขึ้นตรงนั้น งั้นเราค่อยๆฝึกไปตอนแรกรู้สภาวะให้ไดนะ้หัดรู้สภาวะเครื่องมือที่ใช้รู้สภาวะคือสติสติจะเกิดถ้าเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆต่อไปสภาวะเกิดเรารู้เองไม่ต้องเจตนานะพอรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตจิตลายให้รู้ทันถ้ารู้สภาวะแล้วจิตซื่อบื้อเฉยรู้สภาวะแต่จิตเฉยตลอดเลยผิดแล้วนะ จิตมันต้องมีความยินดียินร้าบ้างมันไม่ใช่เฉยถ้าเฉยแสดงว่าบังคับจิตอยู่นะงั้นสังเกตนะถ้าภาวนาไปแล้วจิตเฉยเลยเฉยเฉผิดแน่นอนนะจิตมันต้องกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมันยินดีมันก็ฟูใช่ไหมมันยินร้ายมันก็แฟบลงไปกระทบอารมณ์ไม่ชอบใจแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบกระเพิ่มกระเพิ่มกระเพิ่มไปตรงที่จิตกระเพิ่มกระเพื่อมไปนี่นะจิตทํางานตัวนี้แหละที่เรียกว่าจิตมันทำำํากรรมจิตมันสร้างพพ อยู่ตรงนี้เองนะแล้วมันจะทุกข์นะชัดเจนไหมจิตกระเพิ่มทีไรเป็นทุกข์ทุกทีนะกระเพิ่มไหวไหวไหวไหวถ้ทาท่ๆ ท, ที่ไม่ได้มีเรื่องทุกข์เลยนะอยู่ๆมันก็ไหวเองใครเคยเห็นจิตไหวเองโดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะมันเริ่มเห็นตัวทุกข์แล้วน ะ, ะตัวทุกข์ที่ละเอียดข้างในนะจิตทํางานขึ้นเมื่อไหร่ก็คือจิตสร้างภพจิตสร้างภพเมื่อไหร่จิตก็ทุกขนะ์แหละนะล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้น นี่ถ้าเรารู้ทันความยินดีได้บ่อยๆนะจิตเป็นกลางก็รู้สภาวะด้วยจิตที่เป็นกลางไม่คือประโยคที่หลวงพ่อสอนเรื่อยให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอถึงคำเป็นกลางแล้วเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่บ้านใครมีถังน้ําบ้างมีไหมแต่ละบ้านมีถังน้ำไหมถ้าน้ํากระเพื่อมใช่ไหมเรามองของที่ก้นถังเนี่ยไม่เห็นหรอก ในจิต ใ, ใ, ใ, ใจเรานะเต็มไปด้วยของสฤฤฤฤกปรกซ่อนอยู่แต่ถ้าใจมันแฝงอย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนะเรามองไม่เห็นหรอกนะเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในแต่ถ้าใจมันสงบไม่กระเพิ่มขึ้ น, นกับเพิ่มลงนะเราจะเห็นทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงได้งั้นถ้ายังยินดีอยู่ยังยินร้ายอยู่นะไม่สามารถเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงได้ อย่างบางคนชอบพูดนั้นเนี่ยทุก ว, วันนี้ปฏิบัติสักว่ารู้ว่าเห็นต้องลอยหน้าสักว่ารู้ว่าเห็นอือเห็นแล้วอืมนะยสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างเนี้ยนะมันไม่ได้เรื่องหรอกใจมันยังกระเพื่มอยู่นะแต่ไม่ใช่ห้ามกระเพื่ม น, นะให้รู้ว่ามันกระเพื่ม น, นะแล้วมันสงบรับค้าเพียงมันกระเพื่ม เ, เพราะเราไปแก่งมันน้ําในตุ่มอยู่ๆมันกระเพื่อมไหมมันไม่มีห้องเราปิดๆนะไม่มีลมพัดเงี้ยมันไม่กระเ พ, ะเ พ, ะเพะื่มหรอกเราต้องไปกวนมันนะ เราไปกวนมันด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะใจเราก็แว่งเพราะฉะนใจแว่งใจก็ทำงานเวลาเรายินดีในสิ่งใดเราก็อยากได้สิ่งนั้นใช่มถ้าได้มาแล้วเราก็อยากรักษาไว้เนี่ยตัวตันหามันมานะเวลาเราไม่ชอบอะไรเราก็อยากให้มันหายไปหายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมาอีกนะเวลามีความอยากขึ้นมาใจก็ดินด้นดิ้นดิ้นไปอีกนะ ปัญหาก็สร้างพบพาให้ใจดิ้นพบก็เกิดขึ้นแล้วก็พาเหนี่ยวนําสร้างตัญหาต่ออีกวนเวียนเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาไม่รู้จักจบหรอกวัตตะก็หมุนอยู่อย่างนั้นะนะสร้างไปสร้างมานะแต่ว่าพอเราเจริญสติเจริญปัญญามากๆเนี่ยสุดท้ายปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยชั่วคราวเราเห็นความสุขเกิดแล้วความสุขดับความทุกเกิดแล้วความทุกข์ดับเราเห็นบ่อยๆนะเห็นดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับ เห็นหายใจออกหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่เราฝึกของเราเราดูของเราไปเรื่อยนะในสุดจิตมันมีปัญญามันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเมื่อมันรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอีกชนิดหนึ่งมันจะกลางด้วยปัญญากลางเพราะว่าจิตฉลาดจิตรู้ความจริงแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเมื่อมันรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับเนี่ยความยินดียินร้ายจะไม่เกิดนะคราวนี้ไม่เกิดเลยนะไม่ใช่ว่าเกิดแล้วมีสติไปรู้แล้วมันดับนะ แต่ว่าพอม hmm. ko ีปัญญารู้ความจริงแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับเนี่ยความยินดียินร้ายไม่เกิดเราไม่ต้องไปดับมันแล้จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะไม่มีความยินดียินร้ายให้ดับแต่เป็นกลางเองเลยถ้าจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเนี yeah. ่ยจิตก็ไม่กระเพื่อมไม่ปรุงไม่สร้างภพจิตจะไม่สร้างภพขึ้นมาถ้าบุญบารมีของเราในขณะนั้นแก่รอบแล้วเนียจิตจะรวมตัวนะ เข้าอัปปนาสมาธิทําไมมันเข้าอัปปนาเพราะว่ามันทิ้งภพหยาบก่อนมันทิ้งภพที่หยาบคือกามาพบพบที่จิตแส่สายไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยมันทิ้งมันรู้สึกไร้สาระสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสปัฏฐาพะเนี่ยทาให้จิตกระเพื่อมจิตทิ้งมันไปนะจิตก็รวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวแล้วถ้าบารมีพอนะอริยมรรคจะเกิดเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจะประกอบด้วยฌานเสมอ จิตจะทรงชนันไม่ชันหนึ่งก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้ทั้งนั้นเลยแล้วตรงนั้นจิตเป็นไปเองไม่ใช่เราเป็นไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตเองเมื่อศีลศิกขาจิตตศิขาและปัญญาศิกขาแก่รอบนะั้นเราค่อยๆฝึกนะงานที่พวกเราต้องทำมีเยอะใช่ไหม ไม่ใช่ช่วยช่วยบอกรู้ตัวลูกเดียวรู้ตัวด้วยลูกเดียวรู้ตัวไปด้วยทำผิดศีลไปด้วยไม่ได้กินหรอกนะรู้ตัวไปฟุ้งซ่านไปไม่ได้กินหรอกรู้ตัวแล้วก็รู้อยู่เฉยๆไม่เห็นความเกิดดับของรูปนามก็ไม่ได้กินหรอก นะมีสิ่งหลายสิ่งนะั้นที่เราต้อง ค, อค่อยๆพัฒนาขึ้นมามีสติต้องพัฒนานะด้วยการหัดรู้สภาวะบ่อยๆมีสมาธิต้องพัฒนาขึ้นมาโดยการรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีความเป็นกลางพัฒนาโดยการมีสติไปรู้ทันความยินดียินระ้ายถ้ารู้ทันแล้วมันจะเป็นกลางแต่ไปปัญญามันจะเกิดนะเรามีสติระลึกรู้รูปนามกายใจด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนะี่ยปัญญาคือความเข้าใจจะเกิด เมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยความเป็นกลางด้วยปัญญาจะเกิดตรงที่เป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นัญเป็นญาญาณอย่างหนึ่งนะเรียกว่าสังขารู้เบกขาญาณญาณแปลว่าปัญญาสังขารู้เบกขาคืออุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายต่อดีและชั่วต่อสุขและทุกข์นะต่อหยาบและละเอียดต่อภายในและภายนอกต่อที่ใกล้ที่ไกลนะต่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละนะรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายจิตมันเป็นกลาง ต่อรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นกลางด้วยอะไรด้วยหยาดด้วยปัญญาปัญญาเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างเป็นของโช่วคราวทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมีเหตุเขาเกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกนะพาจิตเนี่ยเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้ตัวเฉยๆใช้ไม่ได้เมื่อก่อนนะตอนที่หลวงพ่อยังไม่เจอหลวงปู่ดุลหลวงพ่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วมันก็พบว่ามันไม่เห็นจะได้มรรคผลเลย ก็ดิ้นรนว่าทําไงจะหามรรคผลนิพพานไม่อ่านพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือเซนหนังสือเซนใครเคยอ่านมั้งเว้ยหลางฮวงโปอะไรเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกแปลกแปลกไหมใจเรารู้สึกแปลกแปโล่งโลงว่างๆนะบอกเฮ้ยอย่างนี้เองว่าทางไปสู่พระนิพพานทําใจแบบนี้แหละแล้นิพพานทําใจโล่งโลงว่างๆนะเนี่ยพอคิดอะไรแบบเซนโลกนี้เป็นสุญญตาแล้วใจโล่งโลงว่างๆนี่แหละวะทางผ่านไม่ได้กินหรอก เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปอีกเพราะอะไรมันไม่ได้เจริญปัญญามันคิดคิดเอามันคิดคิดเอาแล้วสบายใจคิดคิดเอาแล้วใจโล่งคิดคิดเอาแล้วใจปล่อยเดี๋ยวก็หยิบอีกเพราะยังไม่ได้เห็นความจริงงั้นจะมาพูดธรรมะนะหวานหวานแหววแหวเพราะพลิ้งพิสดารพูดไปแล้วแหม่ฟังแล้วก็เคลิมมีความสุขใจโล่งใจสบายไม่ได้กินหรอกถ้าไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจนี่แหละ ครูบาอาจารย์เคยสอนนะว่าอย่าไปทำใจว่างๆอยู่เฉยๆนะให้มารู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้นะดูให้มากๆแต่ถ้าดูไปแล้วใจฟุ้งซ่านทำความสงบนะสงบมีเรื่องมีแดงแล้วออกมาดูอีกถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยนะเพราะว่ามรรคผลเกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตธรรมะส่วนใหญ่เกิดที่จิตกระทั่งร่างกาย ร่างกายที่เคลื่อนไหวเอายกมือซิใครสั่งให้ยกมืออย่าบอกว่าหลวงพ่อสั่งนะ <c oughs> จิตตัวเองสั่งหลวงพ่อบอกเอายกมือสิจิตของเราก็สั่งตัวเราเองให้ยกมือเห็น ไ, ไหมกระทั่งรูปนะรูปบางชนิดนะจิตยังสั่งให้เกิดได้เลยเนรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเนี่ยจิตสั่งให้เกิดนะแต่รูปบางอย่างจิตสั่งไม่ได้กรรมเป็นตัวทาให้เกิดนะรูปบางอย่างนะก็มีเหตุหลายอย่างนะ บุตรชรูปจิตตาชรูปกรรมะรูปมีอะไรอีกรูปหนึ่งลืมไปแล้วเมื่อกี้ยังจำได้นะเนี่ยแก่แล้วล่วะชลาภาพชลาภาพถัดจากนี้คืออะไรรู้ไหมพังภาพ<笑><笑><笑>เห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมรูปมันหัวเราะอย่าไปทำคลุ่มๆใช้ใจที่ธรรมดา ใช้ใจธรรมดาไปเห็นรูปธรรมดาใช้ใจธรรมดาไปเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไปธรรมดาธรรมดาใช้ใจธรรมดานี่แหละไปรู้กุศลอกุศลไปรู้อย่างธรรมดาธรรมดาะหัดรู้หัดดูบ่อยๆสตรีมจะไวขึ้นบหอขึ้นแต่เดิมนานๆรู้ได้ิงหัดรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันรู้บ่อยเองนะรู้ได้ที่ยิบเลยนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมีปัญญามันรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปนะ ทุกอย่างชั่วคราวเห็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวจิตไม่กระเพิ่มไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงถ้าความสุขก็เป็นธรรมดาเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้ความสุขเกิดแล้วก็ดับมันะเป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดแล้วดับเนี่ยใจที่จะหิวความสุขเนี่ยมันจะลดลงเมื่อใจไม่หิวใจก็ไม่ดิ้นนะถ้ามันเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดานะความดิ้นรนที่จะหนีจากความทุกข์มันก็ไม่มีนะเนี่ยถ้ามันเห็นความจริงนะใจมันจะเลิกดิ้น ถ้าใจเลิกดิ้นนะใจจะเสถียร น, นะใจสงบใจสันติจริงๆเนี่ยสมาธิแท้ๆมันอยู่ตรงนี้สมาธิแท้ๆไม่ได้น้อมจิตไปแต่สมาธิแท้ๆที่จะเกิดอริยมรรคได้นะสมาธิเพราะปัญญานะใจมันสงบลงมาเพราะปัญญาเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นสุขเกิดแล้วดับมันก็ไม่เห็นจะต้องบ้าความสุขเลยความสุขมันมาแล้วไปะทุกวันนี้เราหิวความสุขรู้สึกไหมเนหน็ดเหนื่อยแทบตายเลยอยากมีความสุข บางคนนะทํางานมันหารุ่มหามค่ำนะอยากได้เงินเดือนเยอะๆเพื่อจะไปซื้อบ้านมีบ้านของตัวเองแล้วจะมีความสุขนะไม่ได้อยู่บ้านนะหมดแต่ทํางานนะทํางานงกเ ง, งื่อนพอถึงเวลากลับมาบ้านเอาหัวสุกก็ไปนะเตียงยังไม่ได้ปัดเลยสุกเข้าไปหมดแรงหลับไปแล้วตื่นนอนมาสมสารไปทํางานต่อนี่ความสุขความสุขคิดว่าจะมีความสุขสต่ท้ายเราดิ้นรนหาความสุขนะจนหาความสุขไม่เจอ ดินรนจนกระทั่งหาความสุขไม่ได้นะคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขก็มีแล้วต้องมีภาระทั้งเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องยกมือนะใครรู้สึกบ้างว่าไม่น่าแต่งงานเลยนะยกมือในใจอย่ายกจริงนะ <c oughs> เรื่องขอาขาดบาดตายผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่ถ้าผู้ชายยกแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีอายุ ค, ความ <c oughs> ผู้หญิงนะความจาดีกว่าผู้ชาย สามีไปมีชู้ครั้งเดียวตอนนุ่มๆนะจาตลอดชีวิตเลยความจาดียัไม่เรียกอักขานเห็นไหมตัวอะไรหัวเราะเห็นไหมตัวอะไรเผลอเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยรู้สึกไปธรรมชาตินะต่อไปมันจะเห็นไอ้ตัวที่หัวเราะไม่ใช่เราหรอกะไอ้ตัวที่เผลอใจที่เผลอมันก็เผลอของมันได้เองไม่ใช่เราหรอก เนี่ยค่อยๆรู้นะพอเราเห็นความจริงนะใจจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางนเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงความจริงว่ามันเป็นทุกข์ความจริงว่ามันไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเห็นนั่นใดอันหนึ่งก็ได้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตก็หมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะถ้าบุญบารมีพอแล้วจิตจะรวมเข้ามาและอริยมรรคจะเกิดขึ้นไม่ต้องทําอริยมรรคให้เกิดนะแล้วถ้าอริยมรรคเกิดแล้วเนี่ย ถอยออกมาแล้วเนี่ยวัดตัวเองที่กิเลสไม่ต้องมาถามหลวงพ่อหรอกว่าดิฉันปฏิบัตินั่งสมาธิไปอยู่ๆก็วูบไปเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งดิฉันบนรรลุมรรคผลแล้วจิตดิฉันไม่มีความกระเพื่อมบั่นไหวเนี่ยจิตดิฉันทรงตัวในสุญญาตาอู้เห็นแล้ว <laughs> <laughs> มันไม่ได้เรื่องเลยนะวัดตัวเอง วิญญชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะแต่อยากเข้าข้างตัวเองพวกที่คิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วบางคนดื ม, มากนะทั้งๆที่มันไม่ใช่หรอกทำไมเรารู้ว่าไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เหรอสติยังไม่มีเลยจะบรรลุมรรคผลได้ไงพวกเราดูออกไหมว่าใครหลงใครขาดสติพอจะดูออกไหมเวลาคนขาดสติหน้าตามันฟ้องนะหน้าตาเดือดดาเดือดดาบนีหรือคนกำลังโมโหเนะี่ยไม่มีสติหรอก นะมันหน้าตามันไม่เหมือนกันแค่ดูหน้าก็รู้แล้วนะโว้เธอไม่มีสติเลยแล้วเธอเป็นผ้าละหันได้ยังไง่งนะดูง่ายไม่ยากอะไรหรอกดูที่กิเลสแต่ดูตัวเองก็ยากหน่อยเพราะมันเข้าข้างตัวเองนะพราะภาวนาไปบูบลงไปเอาล่ะฉันเป็นผ้านาคาชันเป็นผ้าละหันนะนึกเอาเองนะเป็นชั้นนนท์ชั้นนี้พอน้อมใจเชื่อแล้วไม่กล้าดูแล้วไม่กล้าดูแล้วกลัวเจอกิเลสนะถนอมรักษา ปกปิดกิเลสไว้เรียกว่านั่งทับอุจจาระอยู่ไม่กล้าลุกนะกลัวจะเจอนะถ้าใจแข็งจริงนะต้องดูตัวเองวิธีที่จะตรวจสอบกิเลสนะสมมติเราภาวนาไปแล้วเราคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้ววิธีตรวจสอบตัวเองนขั้นแรกเลยสังเกต จ, จิตจิตเราไปล็อกไปนิ่งอยู่ในภพอันใดหนึ่งหรือเปล่านะเช่นจิตไปติดอยู่ในความว่าง ถ้าจิตติดอยู่ในความว่างว่างอยู่ทั้งวันเนี่ยจะไปดูว่ามีราคะไหมดูไม่ออกจะไปดูโทสะดูไม่ออกมันเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเราสังเกตจิตสังเกตกิเลสได้เนี่ยเราต้องสังเกตตอนที่จิตเป็นธรรมดาไม่ใช่จิตที่ทรงสมาธิแบบพลมนะถ้าจิตเราทรงฌานอยู่แล้วเราบอกว่าเราไม่มีรารมาราคะไม่มีโทสะถูกสิถ้ามีการมาราคะมีโทสะก็ทรงฌานไม่ได้นะเฉะนั้นมันเป็น ไม่มีเพราะว่าสงชารไม่ใช่ไม่มีเพราะอริยมรร้างไปต้องวัดด้วยใจของคนธรรมดานี่แหละนะอย่าไปให้ใจมันล็อกปล่อยให้ใจมันทํางานตามธรรมชาติก่อนแล้วดูว่าจะมีกิเลสหรือเปล่าตาหลวงพ่อเป็นโยมเคยเล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งแล้วนะหลวงพ่อนะีประมาณหนึ่งภาวนาจิตรวมฟึ๊บไปสว่างแหวกออกมานะแต่แวกไม่หมดแวกค่อ น, อนๆเหลืออีกนิดหนึ่งแต่ว่าถัดจากนั้นเนี่ยการมาราคาไราะไม่มีโทสะไม่มี ได้้าหนักคาแล้วมัง้งแต่ว่ามันคาจริงหรือคาราคาสังก็ไม่รู้นะต้องทดสอบวิธีทดสอบของพ่อพี่ยืมหนังสือโปของเพื่อนมาอ่านนะแต่เดิมเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันจะชวนให้ดูเราไม่ดูนะเราจะอ่านแต่หนังสือธรรมะว่างๆก็ดูพระไตรปิฎกดูธรรมะอะไรอย่างเงี้ยชวนอ่านหนังสือโปไม่อ่าน วันนี้หน้าด้านเดินเขาไปขอยืมหนังสือมันมันดีใจมากเลยว่าเรากลับตัวแล้วนะกลับตัวแล้วไม่ใช่เป็นพวกตาเทศแล้วนะเอาไปเลยนี่เล่มนี้ดีเล่มนี้สวยนะเอามาดูใจเฉยเลยเอาไปคืนมีอีกไหมโอ้ยมีเยอะเลยนะอานะมาดูใจก็เฉยนะวันที่เจ็ดนะใจกระเพื่มอมพูดวกาบู๊ผู้หญิงคนนี้สวย นะความจริงถ้าพูดถึงความสวยนะั้นมันสวยสู้เอกคนแรกที่เห็นยังไม่ได้เลยนะแต่ตอนนั้นนะ่ะจิตมันส่งสมาธิอยู่นะใจมันเฉยเฉยปรากฏ ว, ว่าพอเจ็ดวันมาแล้วเนี่ยสมาธิมันเสื่อมสมาธินะ่ะไม่ว่าวิเศษแค่ไหนนะถ้าอยู่ในโลกข้างนอกแล้วไม่ได้นั่งสมาธิต่อนะอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันหรอกนะอันนี้ครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมานะอยู่ไม่เกินเจ็วันหรอกงั้นสังเกตตัวเองไปนะสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อย นะไม่หนีผัสสะเลยนะตอนนั้นทดสอบตัวเองเวลาทดสอบไม่หนีผัสสะแต่เวลาปฏิบัตินะ่ะเลี่ยงนะถ้าอยู่อยู่ก็แส้ทา ย, ายหารูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นเรื่องมีการรมวิตกไม่ได้กินหรอกนะมีการรมวิตกงั้นตอนที่เราจะทดสอบตัวเองเนี่ยใช้ใจของมนุษย์ธรรมดานะแล้วดูว่ากระทบอารมณ์แล้วมีกิเลสตัวใดบ้างกิเลสบางตัวเนี่ยพระอริยะแต่ละชั้นไม่มี ถ้าถ้ามีขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่นะมีพระองค์หนึ่งเคยมาหาหลวงพ่อเนี่ยผมคิดว่าจบจิตแล้วนะบอกอา้าวท่านเข้าสมาธิสเิเข้าสมาธิปึ๊บ บ, นะบอกเวลาท่านเข้าสมาธิเนี่ยจิตท่านเคลื่อนไปไหมเคลื่อนจิตีย่ยมีการไปมีการมาเหรอครูบาอาจารย์สอนบอกว่าพระอรหันต์นะ จิตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดไม่มีดวงนี่ยังมีไปมีมาได้นะมันไปไหนมันไปพรหมโลกสิไม่ใช่พระอรหันต์หรอกพอบอกไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะเพราะว่าท่านเห็นเองนะเห็นว่าจิตท่านอ่ะยังฟุ้งซ่านอยู่มีข้างในมีข้างนอกคิดว่าจะนิพพานเนี่ยต้องวิ่งจุดไปเข้านิพพานที่อื่นนะท่านนิพพานยังมีข้างนอกข้างในนิพพานปลอมเห็นแล้วว่าไม่ใช่นะพอบอกพอท่านรู้ว่าไม่ใช่นียใจท่านฝ่อเลย ใจเนี่ยเศร้าหมองบอกเห็นไหมว่าใจเศร้าหมองเห็นไม่ใช่พราหนักคาหรอกนะเนี่ยตลวเพาะฆ่าผ้าริยะมาด้วยวิธี น, นี้นะพวกเราควรจะฆ่าตัวตัวเองด้วยการตวรวจสอบตัวเองนะตวรวจสอบเราะฉะนั้นถ้าภาวนาแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าใจง่ายอย่าเชื่อสังเกตให้ดีก่อนนะไม่งั้นโดนกิเลสหรอกแล้วอย่าไปถามคนอื่นง่ายๆบางทีไปถามเขานะอย่างหลายคนเลยหลวงพ่อเห็นแล้วสงสาร ไปเข้าสำนักตลาดตลาดอะไรมานะไปภาณาสองสาวันเขาก็ตั้งให้ได้โสโดาสกตาขาแล้วนะคราวนี้จะบอกว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ได้แะ้ะคราวนี้ภูมิใจแล้วภูมิใจว่าตัวเองได้นะมีอะไรก็ให้เ้าหมดละเพราะว่าเปลี่ยนภาริยะต้องไม่เห็นแก่ตัวคิดเราเองนะพาริยาขั้นต้นๆยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังร้องไห้ได้เลยนะคิดเราเองอย่าเชื่อคนอื่นเขาตั้งให้ก็อย่าเชื่อเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อครูบาพรมจักร คูบาพอมาจากสังวรอยู่วัดพระบาทตักผ้าสิ้นไปนานและโองนี้เก่งนะทรงอภิญญาท่านอยู่วัดพระบาทตักผ้าคนก็สงสัยพระบาทมีจริงเหรอเนี่วันหนึ่งท่านแกล้งเหยียบหินไว้ที่หัวทางโยงกลมเนะี่ยเหยียบลึกไปทั้งศอกหนึ่งหินยังอยู่นะยังอยู่ที่วัดพระบาทตักผ้ายังอยู่ที่เดิมเลยแต่เขาทําศาราครอบไว้เนี่ยคนไ่ถามคูบาครับคูบาเป็นพระอรหันต์เหรอท่านบอก เออผ้าละหันที่หนังสือโลกทิพตั้งให้ <c oughs> คนอื่นตั้งนะเนีย่ยท่านว่าอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปให้ใครตั้งนะเราตรวจสอบตัวเองแต่อยากเข้าข้างนะนี่ยค่อยๆพาวนานะวันนี้หลวงพ่อสอนอะไรสอนเรื่องมัคมีองแปดใช่ไหมจนกรทั่งมันเกิดอริยมรรคนะเกิดอริยผลแล้วก็การตรวจสอบตัวเองเรียกปัจเจคขณะะตรวจสอบตัวเองไม่ต้องไปถามใครดูกิเลสของเราให้ออกก็แล้วกันแค่นี้เราก็พ้นทุกละ นะมันจะดีขึ้นดีขึ้นอย่ า, ง โ, งนะยางโง่นะอย่าโง่นะแล้วก็ไม่ใช่มาให้หลวงพ่อรับรองนะหลวงพ่อไม่ได้สถาบันเซอร์ติฟิเคตนะบางคนมานะมาแต่ไกลเลยมาถึงก็มานั่งปุ๊บไม่พูดไม่จา่าเรามองเย็นนี้มันมาทำอะไรวะนะภาวนายังไม่เป็นจะมาเรียนก็ไม่ใช่เสร็จแล้วก็ไปบอกกับคนในวัดว่าที่จริงจะมา ถามมาให้หลวงพ่อรับรองแล้วว่าบรรลุพระอรหันตนะ์แลนั่งรถมาจากที่ไกลหลายจังหวัดมานะโอ้เราจะไปรับรองได้ไงใช่ไหมเราไม่ได้สถาบันรับรองนะอะไม่ได้มีไอโซไอโซอะไรไม่มี <c oughs> ดูตัวเองวินอยู่ชวนรู้ ด, ด้วยตัวของเราเองแต่อยา่าข้อข้างตัวเองะแค่นั่นแหละอะพอสมควรแก่เวลาครับกับนมัสการหลวงพ่อประมุนะครับอืก็คือเอ่า ผมฟังซีดีหลวงพ่อประม้นมาประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนแล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิก็เกือบทุกวันนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกวันก็ติดอ่าสงสัยในสภาวะครับก็คือเหมือนพอนั่งสมาธิผ่านไปสักพักเนี่ยจะเหมือนรู้สึกตัวมันมีความรู้สึกแบบสัมผัสอะไรเงี้ยชัดเจนมากขึ้นแล้วก็พอได้ยินเสียงเล็กๆลน้อยนอยอะไรเงี้ยมันเหมือนสะท้านขึ้นในใจเลยครับก็เลยสงสัยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับสมาธินะสมาธิมันเกิดขึ้น สติมันว่องไวเวลาสติมันว่องไวเนี่ยมันจับสภาวะได้รุนแรงนะจับสภาวะได้แรงเพราะฉะนั้นเวลาอะไรนิดหนึ่งเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยมันจะชัดมากกว่าอยู่ในสภาวะปกติอย่างนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทรงสมาธิอยู่เนี่ยความรู้ความเห็นในสมาธินะาจะชัดเจนแจ่มใสมากกว่าอยู่ข้างนอกนี้เป็นปกติเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สําคัญหรอกนะไม่สําคัญหรอกอยู่ข้างนอกก็ต้องทําให้ได้นะครับผม แล้วก็ระวังอย่าให้จิตติดสมาธินะตอนเนี้ยจิตปกติไหมก็เกือบปกติเออถ้าเกือบปกติใช้ได้ถ้าจิตปกติอย่างนี้ต้องแก้่น ะ, นะถ้าอย่างเนี้ยจิตเราทรงสมาธิไว้เรารักษาอยู่ใครๆเพ่งเพ่งไ ป, ไไปนะเราเพ่งเรารักษาอยู่แต่ให้รู้ทันนะรู้ทันแล้วก็ผ่านไปอ่าแล้วก็มีคําถามต่อก็คือเรื่องดูไตรลักษณ์นี่ครับอ คือผมรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะหายไปแต่ไม่สามารถที่จะดูได้ตอนที่เกิดขึ้นรู้แต่ตอนที่หายไปเนี่ยผมไม่รู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่มันหายไปแล้วแล้วก็ผ่านไปสักพักไปแล้วจะรู้สึกตัวว่ามันหายไปแล้วนะอะไรเงี้ยกะดูไม่ทันนี่คือต้องเป็นปกติปกติ <laughs> เป็นปกตินะทีแรกเห็นเกิดไม่เห็นดับนะตอไปไม่เห็นเกิดดับตอไปนะมันจะไปเด่นที่ดับนะไม่ได้เด่นที่เกิด เพราะมัจะเห็นอะไรไหวแค่นิดเดียวมดับอะไรไหวแวบดับชุดเด่นจะไปอยู่ที่ดับครับงั้นหัดใหม่ๆมันจะเห็นตรงที่เกิดมันไม่เห็นดับนั่นหละถูกแล้วล่ะครับไปฝึกอีกครับแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้อาจะอ่าพระก็คือบอกเรื่องสัมมาชีวะนะครับก็คือพอดีทางบ้านของแฟนนะครับก็คือทําประกอบอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงบ่อปลาอะไรเงี้ยครับถามว่าถจะเลี้ยงได้ไหมก็คืออาจจะเลี้ยงได้ยากอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากทราบว่า ควรที่จะต้องทำยังไงถ้าเลี้ยงยากนะก็ทำใจทำใจอย่างนี้ไม่ได้หัวเราเล่นนะสอนวิธีทำใจเวลาเราเลี้ยงปลาเนี่ยวันที่เราจับปลาไปขายเนี่ยวันเดียวใช่ไหมวันเดียวยปลาหลายวัน เวลาเลี้ยงปลานีพยายามทําใจให้เป็นกุศลไว้นะเออกินให้อิ่มๆนะครับก็พยายามพยายามจริงๆแล้วผมก็พยายามทําอย่างนั้นครับคือตอนเลี้ยงปลาก็ถือว่าเราให้ทานแก่สัตว์อะไรย่างเงี้ยครับอแล้วก็พอวันที่ขายก็คิดว่าสัตว์โลกย่อเป็นไปตามกรรมรวมทั้งไอสัตว์ตัวที่เอาปลาไปขายด้วยแหละครับครับมันยังต้องอยู่กับโลกนะ อยู่กับโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่าไม่ดีครรับาเราทํากรรมชั่วนะโดยรู้ว่าไม่ถูกต้องเรียกว่ายังประกอบด้วยทิฏฐิที่ถูกนะครับให้กรรมชั่วตัวเนี้ยให้ผลไม่รุนแรงครับอันนี้ไม่ใช่บอกเคล็ดลับให้ไปทําอีกนะครับว่าปลอบใจแต่ว่าปลอบในหลักของธรรมะคนที่ทําชั่วโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยกรรมชั่วแรงเพราะประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ นะคนที่ทำความผิดแล้วรู้ว่าผิดอยู่กรรมมันจะลดลงนะความรุนแรงนะั้นมันจะลดลงรู้ว่านี่ไม่ถูกครับงนะั้นอย่างตัวกุศลก็เหมือนกันกุศลธรรมดาธรรมดานะก็มีบุญมีกุศลแหละแต่ถ้าจิตที่เป็นกุศลดวงใดประกอบด้วยปัญญามีความเห็นถูกด้วยนะเป็นกุศลที่แรงนะในทางกลับกันเวลาที่ทำอกุศลนะทำบาป รู้ผิดชอบช่วยดีนะบาปจะลดลงกำลังมันจะอ่อนลงหลักพวกนี้ในอภิธรรมมีเรียนอยู่นะสอนกันอยู่ครับผมครับครับกับพระพุองค์ครับโทษว่าบ้านแฟนเลี้ยงเมื่อกี้เนี้ยตัวไม่ได้เลี้ยงการรัสการครับท่านผมก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำนะครับ ก็วันนี้ก็ ม, ม, ม, มีคําถามในสถามคือตอนตอนเช้าเนี่ยบางทีผมนั่งสมาธิผมก็เหมือนพยายามลองแยกท่าแยกขันดัวครับก็เวลาผมนั่งผมก็จะเห็นบางทีมก็มีแน่นๆกลางอกใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเห็นรู้สึกร่างกายส่วนหนึ่งก็รู้สึกไม่ชอบไอ้ที่แน่นแน่นนั่นนะครับแล้วก็บางทีก็ได้ยินเสียงพูดอืมไอ้สภาวะต่างๆที่มแ ย, แยกแยกกันนี่ก็คือผมแยกท่าแยกขันอยู่ใช่ไหมครับสวิตแล้ว ผมแยกธาตุแยกขันได้หรือยังครับเราไม่รู้สึกหรือรู้สึกไหมกลกับใจเป็นโคนละอนกันก็ก็เห็นรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งดูอยู่ใช่นั่นแหละมันแยกอย่างนี้นเยมันไม่ได้ว่าแยกไปอยู่คนละบ้านะเพราะอันั้นคือก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละอันนี้คือการแยกธาตุแยกขันได้ได้แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าจิตปกติที่แยกธาตุแยกขันเหมือนตอนนี้ไหมไม่ครับเออถ้าถ้าเหมือนอย่างนี้เป็นแยกขันปลอมนะจงใจแยกดึงตัวรู้ขึ้นมาแล้วขันแยกออก อนนคือถ้าจิตเป็นอย่างนี้ไม่ถูกไม่จิตสบายสบายคือสบายแล้วโปร่งโรงรู้สึกสบายสบายนั่นแหละรู้สึกสบายแต่ว่าแน่นๆอยู่ก็ได้ใช่ไหมได้นะตัวทุกขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมร่างกายอันนึงทุกขเวทนาอนหนึ่งความไม่ชอบเนี่ยเป็นตัวสังขารจิตเป็นคนรู้นะเราไม่รักษาตัวใดตัวหนึ่งเราเห็นแต่และตัวก็ทำหน้าที่ของมันไปผมต้องเรียกถูกไหมครับว่าไอ้นี่เรียกว่าอะไรนั่นแหละใจมันคิดนะใจมันตรึก ไม่ต้องไปแปลมันไม่ต้องไปเรียกมันหรอก<สค uman>ไม่ต้องช่วยมันคิดถ้ามันคิดเองไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปช่วยมันคิดว่าไอ้นี่เรียกว่าอั น, นี้อันี้เรียกว่าไ้ น, นี้มันทำให้ใจฟุ้งซ่านแล้วบางทีสภาวะที่แน่นๆเกาของทีมันคลายไปครับนี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสภาวะที่คล้ายๆกับอานิจังเลยประมาณนี้น <S <S <S <S หรือบังทีมันอาจจะทําอะไรอยู่เกิดนั่นแหละแล้วเห็นไหมที่กลางอกแล้วมันไม่ได้นิ่งๆหรอกมันไหวไปไหวมาได้ก็เพิ่มได้นนั้คือไหวหยิบยับยับได้นั่นแหละเกิดดับต้นนั้นเลยถ้าถ้าดูละเอียดมันก็จะเห็นละเอียดไปมันก็ากกว่านั้นใช่ไหมใช่แต่เราก็ไม่ต้องลงไปดูไม่ต้องไม่ถลํามันก็ทํำไปเรื่อยๆมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดบางคนเห็นมันหมุนนะรู้เลยวัตตะวัตตะสงสารนะหมุนอยู่กลางอกนี่ครับไปฝึกอีกไหม เดือนนี้เดือนเกิดผมผมข อ, อการบ้านเพื่อเป็นกุศลไอ้ที่ฝึกมานั่นแหละดีแล้วละแล้วไปให้รางวัลกับตัวเองนะนศศมัสการรับมีศีลสมาธิปัญญาเราจะได้รับรางวัลของชีวิต <c oughs> กาบนมัสการหลวงพ่อค่ะเริ่มปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อตั้งแต่ช่วงต้นปีอะค่ะโดยการดูจิตนะคะแต่ว่า เออบางทีคือเวลามีเรื่องบางเรื่องมากระทบจิตใจอย่างเช่นโกรธหรือว่าไม่พอใจก็พยายามจะรู้สึกตัวเออบางครั้งถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้กระทบจิตใจมากมันก็จะหายไปอะ<ม>ค่ะก็อาจจะปั๊มหนึงแล้วค่อยรู้ว่าเอา๋อเราหายโกรธแล้วอะไรเง<ม>ี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นบางเรื่องที่แบบเอ่อเราโกรธมากหรืออะไรอย่างเง<ร>ี้ยค่ะมันอาจจะมันก็ไม่ได้หายแล้วบางทีมันก็ใจคิดไม่ได้ <จะ S 2> ฝึกให้หายนะค่ะเราฝึกให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ แล้วสังเกตไหมกระทั่งความทุกข์ที่เราไปยินนะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเ<ะ>นี่นก็ไม่เที่ยงมไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มันหายนะภ<ะ>าวนารู้อย่างที่มันเป็นป น, นะมันแสงดงใจรักแต่บางทีมันก็จะคิดเรื่องนั้นเหมือนกับมันก็จะผุดขึ้นมาในหัวอีกบางทีมันยั ง, งค้างอยู่<ะ>ในใจเดี๋ยวก็คิดใหม่<ะ>ไปดูตัวนี้เพิ่มขึ้นใจไม่ไม่พอใจใจ ย, ยินร้าย ให้รู้ตัวนี้น ะ, <ฮ>ะจงเกดออกไหมมันยินร้าย<ฮ>ะนะดูเข้ามาที่ยินร้ายนี่เลยนะแล้วสภาวะทั้งหลายเท่าเทียมกันหมดนะถ้าใจเป็นกลางอ่นะต่อไปก็ผุดขึ้นก็ให้ก็ <c ười> แค่รู้นะเออไม่แทรกแซงค่ะแล้วก็อีกคำถามค่ะเนี่ยในการปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะอยากขอทำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะพอถ้านั่งสมาธิแล้วบางทีก็จะค่อนข้างหลับ คนคนที่ฟุง้งซ่านมากนะแบบไปลงมือทําในรูปแบบเป็นนั่งเนี่ยหลับนั่นเราเก็บเล็กเก็บน้อยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะอย่างชั่วโมงหนึ่งนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรสักห้านาทีอยชั่วโมงหนึ่งทําสักห้านาทีห้านาทีไม่มีเวลาสักสามนาทีอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก็บแต่และชั่วโมงนะเก็บไปเรื่อยเก็บเล็กเก็บน้อยเงี้ยเวลาที่เราไปทําจริงๆัง ตอนกลางคืนอะไรเนี่ยมันจะทำได้ไม่งั้นนั่งหลับแหละเพราะกำลังไม่มีแล้วก็ปฏิบัติต่อไปได้ใช้ได้ปฏิบัติดีคนนี้ติดเพ่งนะเสื้อสีส้มรู้สึกไม่ว่ามันเพ่งเออรู้อย่างนั้นใช้ได้กลับน้ำน้ศสการค่ะหนูส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สามครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูติดโทสะครอบ หลังจากส่งแล้วหนูหนูคิดว่ามันมันคลายใช่แล้วก็เป็นกลางขึ้นใช่ทีนี้เอ่อหนูมีปัญหาว่าคือณตอนปัจจุบันเนี่ยโทสะมันไม่ค่อยมีมันจะไหวแล้วก็หายไหวแล้วก็หายถูกเพราะสติเราเร็วอือจนบางครั้งหนูไม่ทราบว่ามันคือโทสะหรือมั น, มนคือโลภะเราแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องมีชื่อ แต่ช่วงนี้หนูหลงบ่อยอ่ะค่ะมันหลงบ่อยหรือหลงนานหลงบ่อยหลงบ่อยดีคือหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกบ่อยๆยิ่งดีไม่ใช่หลงนานๆนะไม่อะค่ะเพราะว่าคือในชีวิตประจําวันสังเกตไหมดูว่ามีโทสะแทรกอีกแล้วได้รู้อย่างเนี้ยรู้ลงปัจจุบันไปนะค่ะหลงก็คือไม่สามารถรู้สภาวะที่กําลังปรากฏ นะไม่มีสติและเงั้นเราคอยรู้สภาวะไปสบายสบายนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นอย่างเนี้ยรวบเข้ามาแล้วรู้สึกไหมเรารวบเข้ามาทําไมรวบมันโลภมันโล บ, ม, โบมันก็ไปเก็บเอามานะนี่ยเราก็รู้ทันสภาวะไปเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดเองดับก็เองนะเกิดได้เองดับได้เองสภาวะทั้งหลายไม่ใช่เราไปดูในมุมของอนัตตาไว้ข <c oughs> องคุณนะ่ะอันนี้จังทุกขังเอาไม่ลง ต้องดูอนัตตานะดูว่ามันทำได้เองที่นี้ในเมื่อก่อนหนูจะฟุ้งซ่านบ่อยด้วยอะค่ะแต่ปัจจุบันคือในระหว่างวันมันจะไม่ค่อยฟุ้งแต่มันไปฟุ้งตอนกลางคืนเออไม่เป็นไรแสดงว่ากลางวันเนี้ยสงบด้วยการบังคับอยู่หน่อยๆนะมันเลยไปคิดเดาเบี้ยตอนหลับทีนี้เหมือนกับว่าจิตหนูมันก็ดูดูตอนตอนที่มันหลับ ตอนฟุ้งตอนหลับอะค่ะออทีนี้คือปล่อยมันใช่ไหมคะปล่อยมันแต่ถ้าต้องการพักนะก็จับเข้ากับแสงสว่างเทจยบเข้าความรู้สึกว่างๆในใจค่ะแล้วก็ส่งใจส่งไปเงี้ยร่างกายก็หลับไปกลนครอกๆก็ได้และใจสงบสว่างถ้าอย่างนั้นเป็นสมถักคือหนูมีความรู้สึกว่าในหนูไม่ค่อยหลับอะค่ะ นั่นแหละตีสามครึ่งปุ๊บจิตมันจะลากกายขึ้นจริงๆมันนอนพอแล้วจิตอะมันนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกร่างกายอนะหานอนนานจิตนะนอนประมาณสี่สิบห้านาทีก็ตื่นทีหนึ่งนะงแล้วก็บ่อยมากหลับต่อแล้วก็ขึ้นมาอีกเนี้ยหมุนอย่างเงี้ยทั้งคืนคจิตไม่ได้นอนแบบร่างกายนะขึ้นไปขึ้นมาทั้งคืนนอนรวดเดียวไม่มีหรอกยิ่งเราจเจริญสติมากๆมันขึ้นบ่อย อย่ากลัวมันขึ้นมาต้องทำใจว่าแม้บุญจังเลยได้ภาวนาแต่มันไปแอบหลับตอนอยู่ในออฟฟิศมันมันโง่อะค่ะแล้วจะสะดุ้งตื่นเราเราไปเคยชินอะว่าหลับจะต้องหลับแบบริ้งโครโลไม่รู้เรื่อง<ค><ะ>ที่จริงอะร่างกายได้หลับแล้ว<อ>จิตต่างหากที่ไม่ได้หลับ แล้วจิตนะมันพักพอแล้วมันถึงขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตนะพักพอแล้วร่างกายก็นอนตั้งแต่ค่ําจนสว่างก็นอนพอแล้วแต่ความสําคัญมั่นหมายว่าเวลาหลับต้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอความสําคัญมั่นหมายอย่างนี้พอตื่นขึ้นมานะก็สะกดตัวเองอ่าโอ้ยเมื่อคืนนอนน้อย <laughs> นอนน้อยอะไรนอนตั้งแต่หัวค่ํานะเออแล้วหนูต้องทําสมาธิเพิ่มไหมคะ หายใจไปหายใจพูทหายใจเข้าพูทออกโทไปนะตัวอื่นเอาไม่ลงหรอกอ<ช><ช>ต่อไปขอบคุณค่ะค่ะนรัตสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้รู้สึกว่าเวลาความรู้สึกอะไรที่เกิดแรงๆเนี่ยจะรู้จะรู้ง่ายรู้ทันแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ที่สติกเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นตัวโกรธตัวอะไรรู้แล้วมันก็ มีความสุขขึ้นปัญหาก็คือแต่ตอนมีความสุขเนี่ยค่ะมันจะลอยไปแล้วหลงไปง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนมีความสุขเนี่ยต้องต้องทำไงลอยตามมันไปหรือว่าต้องดึงมันกลับมาไม่ไม่ดึงให้รู้ว่าลอยไปรู้ว่าลอยไปแล้วนะค่ะม่ได้กลับมาเองไม่ต้องดึงนะถ้าดึงแล้วแน่นใช่ก็เลยไม่แน่ใจต้องมาถามหลวงพ่อว่าเราต้องดึงกลับมันลมหายใจเพื่อไม่ให้มันลอยไปไหมแต่มันลอยไปนานเถ้าลอยไปนานก็มาอยู่ที่ลมหายใจก่อน ค่ะแต่ถ้าลอยไปแล้วรู้แล้วก็กลับมาเองก็ไม่ไปดึงมันใแค่กลับเองถ้ากลับเองได้ดีที่สุดแต่ถ้าหลงยาวไปเลยนะจงใช้กลับแต่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆความสุขดูยากกว่าความทุกข์กอีกนะตอนเนี้ยค่ะถูกต้องความสุขดูยากกว่าความทุกข์นะถูกค่ะนั่นก็ราคะอาเงี้ยก็ดูยากกว่าโทสะ ค่ะเพราะว่าเหมือนพวกดูยาโทสะเราไม่อยากให้มันเกิดเวลามันเกิดเราก็จะไม่เราก็จะพยายามรู้มันมันก็จะดับไปแต่ความสุขมันเหมือนเราอยากให้มันอยู่มันก็เลยนวนอยู่่รู้ทันนะให้รู้ทันว่าจิตเนี่ยยินดีพอใจในความสุขถ้าเรารู้ทันความยินดีพอใจดับนะจิตจะไม่ติดความสุข มันเหมือนกับมันจะรู้ว่าพอรู้ทันความสุขมันจะดับมันจะไม่รู้ไม่ยอมรู้ทัน่างเงี้ยเออมันเสียดาย <c oughs> ต้าคิดอย่างนี้ว่านี่ความสุขเล็กน้อยความสุขที่ดีกว่านี้ยังมีอีก<ช>จะเอาของกระจอกอย่างนี้หรือก็เหมือนเอาความโลภมาล้อมันนิดนึน ใ, ชใช่ไหมคะไหนไหนกิเลสแรงแล้วเอากิเลสมาใช้งานบ้างโอเคค่ะขอบคุณค่ะกับนวัตการเหริงมีนะพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีนี้นะ อย่างพระนันทานเนี่ยคิดถึงแฟนท่านพระเจ้าบอกเลยเดี๋ยวภาวนาได้พระรหัส น, นะท่านจะยกนางฟ้าให้หไหมมีความโลภมาล่อนะให้ภาวนาอ่ากับนมรดกการหลวงพ่อค่ะก็คือฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเดือนกว่าๆค่ะ ก็มีนั่งสมาธิบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกวันนะคะแต่พยายามที่จะนั่งให้ทุกวันเวลาทํางานนะคะในชใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือเนื่องจากมันงานมันต่อเนื่องมากคะ่ะมันจะไม่ได้พักใช่ไหมคะแต่พอตอนกลางคืนปุ๊บมานั่งสมาธินละมันจะฟุง้งมันจะแล้วพอแบบมันจะคอยเหมือนกับเราพยายามอะคะ่ะที่จะไม่บงมมังคับตัวเองอ ะ, ะ่ะทำไมกลางคืนน่ะรีบนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็ตื่นมารีบภาวนาะอื ตอนเช้าเปดี่ยนตอนเช้านะแล้วใจเราก็มีแรงไปทํางานทําได้ดีกว่าเก่าด้วยค่ะตอนเดียนมันหมดแรงแล้วก็นอนมันไปเลยแล้วเวลาที่เราแบบภาวนาแล้วมันชอบติดเพ่งอะค่ะเพราะว่าที่เรารู้เพราะว่ามันรู้สึกมันจุกมันจุกเออถูกห้ามไม่ได้มันเคยชินเออแล้วพอเราแล้วมันอึดอัดพออึดอัดปุ๊บแล้วมันจะแบบกระสับกระส่ายแล้วมันจะวนให้รู้ให้รู้ตรงนี้ให้รู้ว่าไม่ชอบค่ะให้รู้ความยินร้าย เพะ้รู้สภาวะอะไรนะมันเกิดดีดีรายให้รู้ทันตัวนี้ถ้าใจเป็นกลางแล้วคราวนี้สบายแล้อะไรก็ได้เออแล้วถามอีกข้อหนึ่งค่ะเวลาแบบเราคิดว่าสมมุติว่าเราเราคิดเนี่ยเราไหลไปเนี้ยแล้วพอเรารู้ตัวมันจะเหมือนกับแบบเราเบรกมากกว่าค่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นการรู้ตัวว่าเรารู้อะไรเงี้ยเหมือนการเบรกมันทำอะไรนะเบร ก, กเหมือนเบรกตัวเองเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแล้วอย่างเงี้ย อ, อ, อย่างนั้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันเคยชินจะเป็นอย่างนั้นอ๋อมันไม่ได้แบบเป็นการเบรกตัวเองไมใช่เพราะว่ามันรู้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เฮ้ยนี่หลงไปแล้วนี่คิดตามหลังนะค่ะมันหยุดไปก่อนแล้วอ๋อแล้วแล้วหนูควรจะเหมาะกับการภาวนาแบบไหนค่ะหนูได้พกคิดมากดูจิตใจตัวเองไปค่ะนะแล้วก็รู้สภาวะความรู้สึกทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลางยินดียินไร้ารู้ทันเอาค่ะนะอ่ะต่อไปขอบคุณค่ะ กับรัชการหลวงพ่อครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่ที่มาส่งการบ้านหลวงพ่อก็ทุกวันก็จะทําในอรูปแบบคือเดินจงกรมอนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ภาวนานั่งแต่ผมชอบเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเวลาผมนั่งภาวนาบางทีได้ไม่เป็นไรดูดูจิตตัวเองคือแบบนาทีหนึ่งมันเกิดดับเกิดดับได้น อ, นอย่างนั้ น, นใช่ไหมแบบ ไปหาหลวงพ่อบางทีก็แว็บมาที่ตัวเองนะครับคือก็จะทำแบบนี้อยู่ทุกวันไม่มีมไม่มีเว้นเลยก็คือตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยแต่เวลาไปทางานนี่ก็จะทำให้ให้แบบมีสติเร็วขึ้นแล้วก็ทำงานจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทุกน้อยลงนะครับออ<ม>นั่นแหละดีใช้ชีวิตประจําวันได้แบบแบบมีมันคือคืออะไรเกิดขึ้นมันก็แบบรู้ทันอยู่ตลอดอย่างเงี้ย ตามรู้ตามดูเขาไปได้แหละนะเราได้ประโยชน์จากธรรมะบ้างแล้วแต่ที่นะสิ่งสำคัญคือขาดการปฏิบัติไม่ได้ถ้าเกิดวันไหนคือสมมติว่าวันนี้ป่วยเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเนี่ย เ, เหมือนเหมือนกนอนไม่หลับอะต้อ ง, งลุกขึ้นมาทานั่งสวดไม่ไหวก็นอนสวดครับผมเพนะราะว่าเวาว่า ตายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไม่เป็นงูหรอกไม่เป็นคือคือต้องต้องทําอะครับคือมันมันเป็นนิสัยที่จะต้องอย่างนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีครับผมปฏิบัติคือแบบเหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างพระนะท่านเล่าถึงพระองค์หนึ่งทําข้อวัดพระปฏิที่ต้องทําข้อวัดอย่างเช่นกวาดถูขุดตีอะไรนี่ต้องทําป่วยหนักแลนะทําไม่ได้กระดูกกดิกได้แต่มือนิดเดียวลุกขึ้นมาไม่ได้ ถึงเวลาทําข้อวัดเนะี่ยท่านกําหนดจิตว่าเป็นการทําข้อวัดนะท่านใช้มือเนี่ยปาดข้างๆตัวท่านมันกวาดได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็เอาแค่นี้มก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งคือคือป่วยป่วยก็ป่วยเยอะเหมือนกันคือนอนภาวนาพุทโธพุทโธอมีอยู่แว บ, บหนึ่งอ่ะเหมือนมีมีตัวเองมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างๆครับผมก็อะไรเนี่ย <laughs> นแต่ว่ามันก็แว บ, บเดียวเองเออไม่ไมเป็นไรก็ จิตมันมีสมาธินะหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากจะดูมันก็ไม่เห็นแล้วแหละก็เฉยๆก็คือแต่นั้นมาก็ก็ไม่เห็นเลยใช่ไม่เป็ไม่จำเป็นครับผมบางทีจิตมันก็ถอดกายที่ปอกไปข้างนอกได้นะครับผมก็คือภาวนาแบบนี้ก็ถูกต้องนะใช่ถูกแล้วภาวนาเก่งด้วยขอบคุณมากครับท่านาจาเจ้าค่ะหลวงพ่อ ยมฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งแต่ปีห้าหนึ่งก็ภาวนาแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ส่งการบ้านเลยวันนี้ก็อยากจะมาส่งการบ้านว่าผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะเห็นมากเลยจ้ะจนั่นแหละมันคือข้อพิสูจน์นะข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินะมันถูกไหมมีประโยชน์ไหม<า>สังเกตไหมว่ากายกับใจมันแยกกันได้ เห็นแล้วเจ้าค่ะเห็นว่ามันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกพรวนาดีแหละถูกต่อไปเราก็ดูไปนะจิตมันยังเป็นเราอยู่นะจิตมที่มันสั่งด้วยเจ้าค่ะเนะจิตที่มันสั่งขัรถจิตสั่งให้ให้กายมันขยับใช่ใช่จิตสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเจ้าค่ะแล้วจิตเองอนะเราสั่งมันไม่ได้นะไม่ได้เจ้าค่ะเราสั่งให้สุขครั้งให้ห้ามทุกข์เลยไม่ได้ นั่นแหละความจริงละ่ะที่เราปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันนะ่ปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จักขันอย่างที่ขันเป็นเราจะรู้เลยว่าขันเนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษนต่อไปใจมันก็คลายความยึดถือขันออกพอานะนาถูกเราละดีการนมัสการขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอืมแต่ตอนนี้จิตออกนอกรนะู้สึกไหมจิตจิตมันไม่เข้าบ้านออเออมันออก เนี่ขนาดนี้ยังออกอยู่เลยรู้สึกไหมไออเอาไปอยู่กับหลวงพ่อหายใจซิหายใจแล้วอาความรู้สึกตัวกลับเข้าบ้านหายใจแล้วให้รู้สึกตัวกลับเข้าไปเรี่มกลับเข้าไปแล้วรู้สึกไหมแล้วก็ไม่รักษาไว้อย่างนี้แรงไปถ้าแรงไปแล้วจะแน่นเจ้าค่ะกลับนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีในข อ, ของพ่อมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะก็จะมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกว่ามันเริ่มแยกทาดแยกแขนได้ไม่รู้รู้สึกเองหรือเปล่ารู้สึกนั่นแหละถูกแล้วค่ะแล้วก็บางทีบางครั้งเวลาแบบที่มันไม่ได้แยกที่จิตไม่ได้แยกเองค่ะเขาก็ก็คือจะคิดนำนิดนึงอย่างนี้คือทำถูกนะคะก็ใช้ได้นะค่ะแล้วขอกันบ้านค่ะ พอแยกออกมาแล้วเนี่ยจุดสําคัญคือไม่รักษานะถ้ารักษาแล้วผิดแล้วไม่เดินปัญญาตอนะแต่คิดพิจารณานิดหน่อยแล้วแยกออกมาเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปรักษามันนะก็คือพอพอคิดดำแล้วก็ปล่อยแล้วก็รู้ไปตามความเป็นจริงใช่นะค่ะเงั้นเราไม่เดินปัญญาใช่ค่ะครับขอบคุณค่ะของหนูนะต้องใช้การคิดพิจารณาช่วยหน่อยนะ คิพิารณาร่างกายเนี้ยว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามเลยนะพิจารณาตัวนี้หน่อยเพราะจิตของหนูเนี่ยไม่ชอบเดินปัญญาเนะีมันชอบสบายสบายเพราะงั้นหนูพิจารณ์กายด้วยนะร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของสวยอนะไรเงี้ยพิจารณานะจิตมันจะเดินปัญญาได้กราบในมรดกการค่ะหลวงพ่อก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาสิบสิบเดือนแล้วค่ะแล้วก็ ปฏิบัติตามอในรูปแบบแล้วก็รายวันก็ตอนเช้าก็ฟังซีดีหลวงพ่อช่วงเช้าอ่ะระหว่างวันก็พยายามรู้สึกตัวให้มากที่สุดก็ก็รบกวนขอกันบ้านนะคะหลวงพ่อเคยทำอีกแล้วทำดีแล้วนี่ <c oughs> ที่ทํานี่ได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ได้ค่ะอยรู้ทันกิเลสไปเลยนะ <c oughs> กิเลสมีหลายชั้นนะกิเลสลึกๆลงไปนะัก็ดูยากกว่ากิเลสโฉงฉางข้างบน ค่ะค่อยๆดูค่อยๆสังเจตไปสบายๆเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะถ้าเราเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดนะใช่เจอบ้างอย่างเห็นแล้วค่ะเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากเลยน่าใจน่าแหละดีก็ทำต่อไปใช่ไหมทำต่อไปครับขอพระคุณค่ะหลวงพ่อดีโมตนา กลับหลวงพ่อค่ะพอดีหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาเดือนเดือนนิดๆอะค่ะแล้วเดือนนี้นิดๆหนึ่งขันแยกได้ด้วยค่ะเหมือนจะแยกได้อ่ะค่ะอืแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าที่จิตตั้งมั่นเนี่ยคือเราไม่เข้าใจว่าตรงเนี้ยคือติดตั้งมั่นหรือยังีหนูว่าจิตมันตั้งเป็นแล้วล่ะแต่ตรงเนี้ไม่ใช่ตัวเนี้ยจงใจค่ะตรงเนี้ยตืนเต้นอะค่ะแต่ปกตินอะปกติไม่ใช่ได้ค่ะแต่ว่าระวังอันหนึ่งใจชอบกระจายออกข้างนอก นะเพราะนั้นถ้าใจกระจายใจไหลออกไปก็รู้ทันนะค่ะพยายามพยายามให้รู้ทันนะคะเออรู้ทันเวลารู้ทันเวลาหนีไม่ห้ามนะ่ะไม่ใช่ว่าห้ามหนีหนีได้ได้แต่หนีเรารู้หนีเรารู้ค่ะแล้วช่วงนี้มันเหมือนรู้แล้วพอรู้ป๊บมันจะเหมือนเหมือนเหมือนฟุ้งปลายๆอะค่ะอันนี้รู้หรือเปล่าคะรู้อย่างที่มันเป็นค่ะนะไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น แล้วจเจริญปัญญาเนี่ยค่ะไม่เขา้าใจว่าต้องคิดนําก่อนหรือว่าของหนูไม่ต้องของหนูช่างคิดอยู่แล้วนะ <c oughs> ของหนูดูสภาวะเลยเห็นไหมความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ต้องคิดหรอกคิดเก่งอยู่แล้วก็คือทําไปอย่างนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงแล้วมาส่งกันบ้านใหม่นะตอนนี้ฝึกตัวนี้ให้ชํานาญ <c oughs> เดือนหนึ่งทําได้ขนาดนี้เก่งนะ ชฟังบ่อยอะค่ะหลวงพ่ดีฟังไว้แล้วก็ถามนิดนึงค่ะพอดีที่ห้องอะ่ะมดเยอะแล้วเราไม่ได้ตั้งใจฆ่าค่ะอพอดีเราอาบน้ํานอย่างเงี้ยมันเหมือนชะล้างลงไปงนี่ถือว่าบาปไหมค่ะเออ <c oughs> <laughs> ถ้าเราไม่ได้เจตนานะอย่าไปกังวลมากถ้ากังวลมากเขาเรียกว่าวิปฏิสารกังวลว่าศีลจะดังพร้อยมากเร่วิปฏิสารนะ ทำตัวสบายๆอย่างนี้เหรอะเออแต่ไม่ใช่ยินดีที่มันไหลไปนะหาอย่าไปเอาของกินเข้าไปไว้ในห้องน้ำนะ อ, อ, อย่าไปให้มันไปอยู่สิถ้าไม่มีอาหารมดไม่ค่อยมาอย่างตามภูติพระเนี่ยสบายมดไม่ค่อยไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินเนะข้าไปก็าอดดีไม่ดีพระเดินจงกลมเหยียบเอาอีกนะมันไม่ค่อยไปยุ่งอะ่ะ กรบขอบพระคุณค่ะกัรมาสักการหลวงพ่อค่ะฉันก็ฟังเทปของหลวงพ่อที่ลูกเอามาให้ฟังตลอดอก็พยายามฝึกภาวานาเอาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใจมันคอยจะคิดว่าทำอะไรผิดพลาดในอดีต ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเราไม่แก้นะนะไม่แก้ในอดีตนะมันแก้ไม่ได้เราจัดการปัจจุบันจจใจ ห, หายกังวลกับอนาคตด้วยให้เรารู้ทันจิตใจในปัจจุบัน <c oughs> เวลากังวลเกิดขึ้นรู้ว่ากังวลทันทีที่เรารู้ทันใจของเรานะในปัจจุบันเนี่ยกุศลได้เกิดขึ้นแล้วส่วนที่เราทำผิดในอดีตมันจบไปแล้วพอใจมันคิดขึ้นอีกใจมันก็เศร้าหมองใจเศร้าหมองเรามีสติรู้ทัน ที่เรามีสติรู้ทันจิตเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นเราพยายามอยู่กับจิตที่เป็นกุศลเรื่อยๆรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะไม่ต้องไปห่วงหรอกอดีตเวลาเวลาสวดมนต์ภาวนาหรือทําสมาธิใจค่อยจะคิดแต่เรื่องที่ทําผิดพลาดมาแต่ก่อนเออผิดแล้วก็แล้วไปนะแล้วก็กังวลทําไมถึงแย่หายกังวลกันให้รู้ว่าอยากหายให้รู้ทันใจตัวเองไป ภาวนาเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกรู้ทันใจตัวเองไว้แค่นี้ก็พอละกังวลรู้ว่ากังวลไม่ชอบที่กังวลอยากให้หายรู้ว่าอยากนะดูอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วยอมมาบานใส่หน้ า, าไม่เอาแล้วคนมีสติเอาไปไม่ได้นะรับได้ส่งกันบ้านครบสิบสองท่านนะครับในโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสาราแห่งนี้นะครับ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 เอวเมวาิโตทินังเปตานางอุปกะปะติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตูสังกปาฉันโทปนรารโสยถามมิโชติระโสยถาสัพพีตีโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินสัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจจังุทธาปจายิโนจ ต, ตาโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุ